ท่านผู้อํานาจท่านผู้ฟังทั้ง 25 พฤษภาคม 2533 เป็น 2 เสียงแห้งไปหน่อย ก็ควรอภิครูปลัดอนันต์ก็มี we nirocoij hier ook kom ik een jaar ja en dan rook kaal haar bij rocoij maar mij kwam daar je kom er tegen mij kom je naar de kom je naar de kom je naar de kom je naar de kom je naar de kom je ในนามของลูกศิษย์หนูพ่อป่านี่ไปไหนก็มี แล้วก็ฉลาดเพราะ 2 <c oughs> วิปติตัญญูคนที่มีศรัทธาดี ท่านพวกนี้ไม่มีอะไรมากวิธีปฏิบัติของท่านก็คือผัดหน้าแต่งตัวบางครั้งก็หนีไปร้อง แล้วที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากกลัวความว่าเมื่อเข้าไปได้เพราะเป็นอาวุธได้เป็นว่าไป พอเข้ามาในวัดสุนัขที่เคยเลี้ยงไว้มันก็จําไม่ได้มันวิ่งเข้ามากระโชกเห่าแต่พอ <c oughs> ญาติโยนจะแปลกชาวพระ 3 องค์ใน เมื่อกราบท่านก็รายงานให้ท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านก็บอกว่าหลังจากที่พวกเธอไปอยู่ที่หลังภักไหในเขตเสี้ยวอาจารย์ในวันหนึ่งเธอโพธิสัตว์มาใช่ไหมก็กราบท่านบอกว่าใช่แล้วท่านถามว่าแล้วท่านก็ทําไมจึงบอก <c oughs> ก็กราบเรียนท่านคณรงค์บอกให้วิชากอบโลกทิ้งถ้าถ้าถามเทียนหนักปาก 1 เล่มมีดอกไม้ 3 ดอกค่าเงิน 1 สลึงถ้าบอกถ้าอย่างงั้นดีแล้วสถานตั้งก็เลยถามญาติโยมว่าใคร นักศาสน์โลกตำราที่พระอินทร์นะมึงต้องการครับๆนายที่สมมุติว่าป่าน ก็เลยทําวิธีกอบไม่ทันก็มีคนคนหนึ่งปรวัติที่สามารถพอกอบทิ้ง 3 ครั้งถ้าสลัดหัวเป็นการใหญ่สลัดหัวหา มีคนหนึ่งปวดท้องกำลังปวดมากพอกอบ 3 ครั้งทิ้งก็หายกลุ่มความว่าวันนั้นได้เงินหลายสลึง เขาไปก็ยิ้มเขาเออทําถูกแล้วทําถูกแล้วแต่ว่าวิชากรอบนี้ต้อง บรรดาท่านพวกพระปฏฐปรมะไปนั่งเล่นนอนเล่นทำสกปรกเสียเยอะ การปลองเมื่อ <c oughs> เช่นบรรดาพระพวกปฐะปรมะทั้งหลายก็เห็นหน้าท่านก็ก็เรียก เนหนักบริบททุกคนก็จําไว้นะคําว่านิพพานนี่ต่างๆ และพออย่างยิ่งฆราวาสในตำบลบ้านหนองโคเองนะไม่ พอถามความเป็นจะพูดให้ เป็นนั้นว่าการอยู่ที่วัดบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ แต่ถ้าว่าอาหารที่กินเองเมื่อเข้ามาอยู่ในป่าท่านเอาใส่บาตรให้กินตามเดิมกินอาหารของท่านมีความสุขพระ <c oughs> สำหรับฉันก็มีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าในวัดเวลานั้นจริงพระที่มี <c oughs> Historic promotions people yet by Prince all, but thend man who voted for a bunch of land would rather keep background from. Andrewibles wants to teach you a very seriously and very long job. Points agree on farmers where etc. быстрее on any individual who go to god abuse. As far as made by others we grew up, they could make them แต่ถ้าว่าเลิกมาแล้วจิตใจเค้าเริ่มทําไปสมาธินั่นคือรักผู้หญิงอยากจะรู้บ้างอยากจะพบคนสวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่เฉพาะอย่างยิ่งมักจะคุยกันเรื่องรวยอยากจะรวยอย่าง แต่ก็เป็นความดีที่ว่าเป็นความดีก็เพราะว่านักมวยถ้าเป็นแต่เพียงซ้อมมวยอยู่คนเดียวบนเจ้าเขาก็อาจจะคิด <c oughs> พระโทษ ค้ำมาอยู่กับคนเข้าก็กระทบกับอารมณ์ต่างๆ <c oughs> Ik denk dat ik me kan herinneren dat ik me dat ik me kan herinneren dat ik me kan herinneren dat ik dat ik me kan herinneren ik me kan herinneren dat we me kan herinneren ik me kan herinneren dat ik me kan ik ik ik แก่กว่ามาก <c oughs> <c oughs> เริ่มอารมณ์บางเฉยในร่างกายของคนได้บ้างแล้วพอสมควร <c oughs> มันก็ยังมีพูดกระทบกระแทกบ้างบางครั้งก็ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นอารมณ์ 3 คือความง่วงก็ไม่จําเป็นง่วงอะไรก็ เราตั้งใจภาวนาแต่มันอยากจะง่วงก็เลยนอนภาวนาให้มันหลับไปก็ไม่เรื่องกันเพราะกล่าวว่า อารมณ์คิดไม่พอใจบ้างอารมณ์คิดพอใจบ้างอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้คําว่าอยากจะได้ไม่ใช่อยากรวยอยากจะ เป็นอารมณ์เลวด้วยความสงสัยนี่ไม่ต้องพูดกันเลิก <c oughs> กิ่งข่าวของท่านที่มาใส่บาตรให้เป็นกรณี <c oughs> แต่งานประจําก็คือว่าอยู่กับหลวงพ่อปานเวลาหลวงพ่อปานรับแขกก็อยู่ใกล้ๆท่าน dan nege, kijk, arom, kijk, arom, de behoefte maar ให้มรดกอย่างนั้นให้มรดกอย่างนี้ก็คิดในใจๆเหนื่อยมากเหมือนกันคน <c oughs> แต่ถึงเวลารถตํารวจก็มาทั้งว่ากับถาม เสร็จก็จัดดอกไม้ธูปเทียนให้เสร็จถ้าเค้ามีสตางค์เถิงใส่เค้าก็ใส่ถ้าเค้าไม่มีสตางค์เถิงใส่นูก็ปาย 3 ครั้งโรคก็หายจากกันอาการที่เป็นหายทัน และสําหรับวิชากอบโลก ก็มีรุ่นพี่ 3 คนไม่ยอมทําตามระเบียบพอหายพอ พอถึง 3 วาระท่าน ความจริงวิชานี้เป็นที่น่าชื่นใดบรรดาท่านผู้ฟังอาตมาก็ดีใจเหมือนกันนี่ถ้าเวชานี้ ในไม่ชาก็จะไปพบกับคนที่ไม่ <c oughs> ไอ้ตัวกําลังที่ <c oughs> สามารถปรับพื้นที่ให้เรียบราบไปแบบสบายๆก็อยู่ป่าช้าเวลานั้นก่อนจะไปมรดกโรงลังทางหายากลงวิมา คล้ายๆกับแสงพระจันทร์ขึ้น 2-3 นาทีก็จะคุย ก็เป็นการบังเอิญว่ามีญาติโยมคนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯซื้อเรือยาวให้ลํา พอเดี๋ยวพระที่บิณฑบาตเดินกลับมาเขาจะคอยไปแต่เพียงบ้านที่เขาไม่สามารถจะใส่บาตรพระบิณฑบาตเดินได้แต่เพียงเท่านี้บรรดาในพุทธบริษัทอาหารก็ ก็บอกไว้แต่ตอนต้นแล้วว่าอิติปิโสภควารังธรรมสัมปทาแล้วว่าหมดจบใครเรือไปก็ว่าเลยไปนึกในใจเรื่อยไป เพราะมาก่อนหากินไม่สะดวกค้าขายไม่ดีเพราะพระ 3 องค์นี้ไปตบะบิณฑบาตเข้าไซ่บาถึงเข้าหากินคล่อง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 เขาบอกเขาเลวเนี่ยเขาดีกว่ามากเขายังรู้จักนิพพานสมบูรณ์ผลผลต้องมี